อธิบายคำว่าปฐมชาญ น, นะว่าธรรมชาติชื่อว่าปฐมชาญเพราะอธิว่าที่ชื่อว่าปฐมเพราะเป็นเบื้องต้นตามลําดับแห่งเทศนาคือคือก็ขึ้นต้นด้วยปฐมก็อันดับแรกใช่ไหมถ้าอันดับแรกค่อยสองสามสี่อันนี้ เ, เรียกว่าลําดับแห่งการพูดนะนะและเพราะเป็นลําดับแห่งการเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะชาญเนี่ยจะต้องเกิดชาญที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเกิดชาญทำที่ชาญที่สองให้เกิดได้ทําชาญที่สองเกิดแล้วจึงทําชาญที่สามให้เกิดได้ แต่ถ้าผู้ที่ได้ฌานทุกฌานหมดเลยแล้วถ้าชํานาญจริงๆเข้าสลับฌานได้อาจจะเข้า8แล้วลดลงมาเหลือหนึ่งหรืออาจจะเข้าหนึ่งขึ้นไปหา8ดหรือเข้าหนึ่งสห้า็ดแดอย่างนี้ก็ได้หรือสลับกันลงมาก็ได้ยังไงก็ได้หมดเลยอันนั้นพูดถึงคนที่เขาชํานาญเต็มที่นะอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยชำนาญขนาดนั้นพระโมคคัลลานะนะชำนาญเรื่องการเข้าฌานน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างนี้ ส่วนพระพุทธเจ้านี่ชํานาญอย่างใครว่าสุดยอดแล้วเ น, นี่ยกวัยโน้มจิตไปเป็นยังไงเป็นได้หมดเลยนะ น, นี่คือความชํานาญแต่การเจริญแรกๆเลยอ่ะต้องเป็นไปตามลําดับ น, นะทานที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยสองเป็นต้นนี่ยนะที่ชื่อว่าฌานพราะอัฏฐาว่าเข้าไปเพ่งอารมณ์เนี่ยนะต้องเข้าไปเพ่งอารมณ์นะและเพราะการเผาธรรมะที่เป็นข้าศึกได้แก่องค์ฌานห้ามีวิตกเป็นต้น จริงอยู่เพราะความประชุมแห่งองคชานนั่นแหละจึงมีโวหารว่าชานดดลการเรียกว่ารถเพราะการประชุมแห่งส่วนมีกงเป็นต้นนะที่เรียกว่ารถก็เพราะอะไรมารวมกันไม่จึงเรียกว่ารถชานก็เหมือนกันจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์วิพังคว่าวิตกวิจารณ์ปีติสุขจิตเตกัคคตาชื่อว่าชานกุศลจิตที่สัมปยุทธ ด, ด้วยปฐมฌานชื่อว่าปฐมฌานกุศลจิตตอนนี้เราเรียนเรื่องจิตอยู่ใช่ไหมก็ ยืนตัวจิตแต่จะที่บายจิตว่าเป็นฌานได้ก็เพราะเนื่องจากจิตนั้นมีองค์ประกอบเนี่ย น, นะมีองค์ประกอบคือมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกคตามีคําท้วงว่าพเพราะเหตุไรเมื่อสัมปยุตรธรรมมีภาษะเป็นต้นแม้อย่างอื่นก็มีอยู่ธรรมะห้าเหล่านี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอํานาจแห่งองค์ฌานนะทำไมเอาแค่ห้าล่ะทั้งที่เจตสิกอย่างอื่นก็มีภาษาสัญญาเจตนาเอกเ อ, อย่างอื่นก็มีใช่ไหม อโลภาะโทสะตัตตรมะมัจจตตากายปัสสิจิตปาปัสสิปัญญาก็มีทำไมไม่เป็นองชานเหมือนกันทำไมเอามาแค่ห้าข้าพเจ้าจะเฉลยว่าธรรมะทั้งหนี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งองชานเพราะมีกิจคือการเข้าไปเพ่งและเพราะเป็นปฏิปักโดยตรงแก่นิวรมีการมาฉันทะเป็นต้นจึงอยู่วิตกยก จิตขึ้นในอารมณ์เนี่ยนะวิจารณก็ตามผูกจิตไว้ในอารมณ์ปีติทําความเอิบอิ่มและสุขทําความเจริญแก่จิตนั้นในการนั้นเอกคตาอันความยกขึ้นอันความผูกอันความตามผูกความเอิบอิ่มและความเจริญเหล่านั้นส่งเสริมและก็ยังจิตนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมให้เป็นไปตามตนโดยจิตคือการเข้าไปตั้งไว้โดยชอบ ย่อมตั้งจิตนั้นไว้ในเอกคตารมเสมอและโดยชอบคือตั้งจิตนั้นไว้โดยเสมอด้วยอำนาจแห่งความเสมอการของอินทรีย์และตั้งไว้โดยชอบโดยไม่มีความหดหู่และฟุ้งซ่านเพราะธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์อยู่ห่างไกลด้วยประการที่กล่าวมานี้สัมปยุตธรรม5มีวิตกเป็นต้นเหล่านี้จึงมีกิจเข้าไปเพ่งเป็นผนกผนก คือพูดถึงไอ้ตัวเอกกัคตาที่ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะมันอาศัยวิตกเนี่ยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารเนี่ยผูกจิตไว้ในอารมณ์ปีติเนี่ยทำความเ อ, อิบอิ่มในอารมณสุขนี้ทําความเจริญให้แก่จิตไอ้เอกคตาเนี่ยอาศัยวิตกวิจารณ์ปีติเนี่ยมันจึงดํารงมั่นอยู่ในอารมณ์งั้นนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งห้าประการเนี่ยเมื่อทํากิจของตนของตนเนี่ยมันเป็นตัวเป็นใหญ่มากในการ เข้าวชานส่วนอย่างอื่นนี่ไม่เป็นใหญ่อะไรแล้วก็ทั้ง5้าอย่างนี้เป็นปฏิบั ต, ติต่อนิวรณ์นะนะต่อต่อปฏิปักษ์คธรรมเนี่ยทำให้ปฏิปักษ์คธรรมอยู่ไกลเพราะฉะนั้นไอ้องทั้งห้าเนี่ยจึงสําคัญแต่ความเอ่อแต่ในความเป็นปฏิบัติต่อนิวรณ์มีการมาฉันท่าเป็นต้นนั้นถึงทราบดังต่อไปนี้สมาธิเป็นปฏิบัติต่อการมฉันทะ เพราะเป็นค่าศึกโดยตรงต่อตันหาอันเป็นเหตุตั้งความปรารถนาคือราคะนะจริงอยู่การตั้งมั่นของจิตที่ถูกอารมณ์ต่างๆเล้าลมแล้วก็วก ว, วนอยู่ด้วยอำนาจการมาฉันทะย่อมตั้งมั่นได้เพราะเอกคตานนะคือปกตินี้จิตที่ถูกราคะกลุ่มรวมเนี่ยนะก็จะเล้าลมวกวนวนเวียนอยู่ในนั้นน่ะนะทีนี้อาศัยเอกคตานี้ยก็ทาให้การมาฉันทะเนี่ยระงรับลงไป ปีติเป็นปฏิปักิต่อพยาบาทเพราะความปราโมทเป็นภาวะของตนเนี่ยนะคือถ้าคนอิ่มแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องโกรธกับสิ่งนั้นนะนะวิตกเป็นปฏิปักิต่อทีหน้ามิทะเพราะเป็นไปพร้อมกับแผ่ไปด้วยอานาจการตรึกโดยเยบคอยเนี่ยนะวิตกตรึกอย่างเย็บคายเนี่ยนะทีหน้ามิทะก็ไม่กลุ่มรุม สุขเป็นปฏิปักต่ออุทธจักุกุจะซึ่งมีความไม่สงบและมีความเดือดร้อนในภายในภาวะของตนเนี่ยเพราะสุขมีการเข้าไปสงบและมีความเย็นเป็นสภาพวิจารณ์นี้เป็นปฏิปักต่อวิจิกิจฉาเพราะวิจารณ์มีสภาพเช่นกับปัญญาด้วยอำนาจการคลุกเคล้าในอารมณ์ธรรมะทั้งห้าเหล่านี้ท่านกําหนดไว้โดยความเป็นองค์ชาเพราะมีกิจคือการเข้าไปเพ่ง และเพราะเป็นปฏิบักษโดยตรงต่อนิวรมีการมฉันท่าเป็นต้นเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเมื่อธรรมะอื่นมีภาษะเป็นต้นแม้มีอยู่ท่านก็กําหนดเอาธรรมะห้าอย่างเท่านั้นว่าเป็นฌานเพราะมีกิจคือการเข้าไปเพ่งและเพราะเป็นปฏิปักษต่อนิวรมีการมฉันทะาเป็นต้น คิดว่าคงพอเห็นภาพบ้างนะเอาตัวอารมณ์ก่อนนะอารมณ์คือถ้าเป็นระดับพวกเนะเราพูดกระสินก่อนนะ อารมณ์ต้องเป็นอะไรอารมณ์ต้องเป็นปฏิภาคะนิมิตเนี่ยนะทีนี้ปฏิภาคะนิมิตเนี่ยปกติมันจะมีจิตทั่วๆไปก่อนคืออุปจาระอุปจาระนี่เป็นปัจจัยแก่อัปปนาเนี่ยนะ จริงๆก็พวกนี้ทั้งหมดเลยนะทั้งอารมณ์ทั้งหมดนี่แหละเป็นอารมณ์ของทั้งอุปจาระกับอัปปนาแต่ก็ถ้าเป็นชาณวิถีจะขึ้นแบบนี้นะ อันนี้เรียกว่าอาทิกรรมมิกระชานอาทิกรรมมิกะแปลว่าคนที่ได้ฌานขั้งแรกกันนะคนที่ได้ฌานขั้งแรกวิถีจิตก็จะขึ้นบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูแล้วก็ฌานหนึ่งดวงแล้วก็ลงสู่พวังแล้วก็มาฝึกเข้าอย่างนี้ให้ชำนาญก็จะได้ทำวสีทั้งห้าขึ้นทีนี้วสีห้าเนี่ยนะก็ ต้องฝึกให้คล่องแคล่วเพื่อจะเป็นบาตในการเจริญทุติยชาญต่อไป <c oughs> อตัวบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูเนี่ยนะถ้าเกณฑ์ของสมาธิเรียกว่าอุปจาระสมาธิทั้งนั้นนะ่ะพวกนี้นะเป็นอุปจาระสมาธิอุปจาระเนี่ยตัวนี้แปลว่าใกล้ต่อฌานนะถ้าถ้าเฉพาะตรงนี้นะี เน้นว่าใกล้ต่อฌานแต่ว่าอุปจาระตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าเจริญอยู่เป็นเดือนเดือนก็ได้เดี๋ยนะปกตินะอันนี้ในฌานวิถีอาจจะเกิดในแค่วิถีเดียวก่อนแต่ถ้าธรรมดาที่จะฝึกถ้าได้นิมิตแล้วประคองนิมิตให้จิตเป็นอุปจาระไปบ่บอยๆนี่อันนี้อาจจะทําอยู่เป็นเดือนเดือนจึงจะได้ฌานแต่ถ้าอย่างไ้ก็พวกอาธิกรรมม่กะฌานนี่ก็ขณะ ชานวิถีขึ้นครั้งแรกตัวนี้เนี่ยเป็นชาญชาณวิถีขึ้นครั้งแรกก็เสพคุณอันเนี้ยมากๆขึ้นมากๆขึ้นครับวิถีที่จะได้ชาญก็จะเกิดแบบนี้คือบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูโคตรภูอ น, นี่คืออะไรคือข้ามโคตจากกา ม, มาวจรไปเป็นรูปาวจรอันนี้เรื่องชาญเนี่ยคุยเรื่องชาญเนี่ข้ามโคตจากกา ม, มาวจรไปเป็นรูปาวจรอันนี้ข้ามโคตเหมือนกัน ส่วนอนุโลมนี่คืออนุโลมต่ออุปจาระอนุโลมต่อกรรมฐานที่ได้เจริญมาเป็นอย่างดีแล้วก็อนุโลมต่อฌ า, านเะนี่ยนะคำว่าอนุโลมนะอนุโลมต่อต่ออุปจาระสมาธิที่เจริญมาดีแล้วและอนุโลมต่อฌานใะนจิตที่จะเกิดขึ้นส่วนบริกรรมก็คือการตัวอารมณ์นั่นนะนะบริกรรมในอารมณ์นั้นพวกนี้ก็มีจิตทั้งหมดนีมีอะไรเป็นอารมณ์ปฏิภาคะนิมิตนั่นแหละเป็น อารมณ์เนี่ยนะก็คือฝั่งนี้นะัน่นเองอาถ้ามองมาอะไรก็วังแล้วก็มโนไหนวังวังต้นนภพที่ออันนี้ก็พวังอันนี้ก็มัน ม, มโนทวาราวัชนะนเพราะจิตจะขึ้นสู่วิถีต้องผ่านมโนทวาราวัชนะอยู่แล้วนี่ก็มาดูว่าในในปฐมฌานเนี่ยนะก็มีองค์ห้า ในอุปจาระก็มีองค์ห้าถามว่ามันแตกต่างกันยังไงอุปจาระนะก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุกเอกขตาก็มีอยู่แล้วทำไมไม่เป็นฌานทำไมไม่เป็นองค์ฌานแล้วส่วนในอัปปนาก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาเหมือนกันต่างกันยังไงต่างกันว่า อุปจาระสมาธินะพอพิจารณาเข้าก็ตกสู่ภวังผวังมันจะขั้นเกือบตลอดทุกวิถีเลยภวังขั้นทุกวิถีขั้นมากขั้นน้อยอยู่ที่ความชำนาญแต่ฌานนี้ถ้าผู้ที่เจริญได้นะสามารถเป็นฌานในจิตไม่มีภวังขั้นเลยเจ็ดวันก็ได้นนะถ้าถ้าถ้ามีความสามารถนะเรียกว่าไม่มีภวังมาสับเลยตลอดเจวันได้แต่ถ้าเป็นอุปจาระเนี่ยนะก็จะขึ้นต้นด้วย ชาวนะเจ็ดดวงอ่ะนะชาวนะเจ็ดพวังแล้วก็มาเป็นขึ้นวิถีอีกชาวนะผวังชาวนะพวังชาวนะพวังเนี่ยสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยถ้าเป็นจิตประเภทอุปจาระทั้งๆ ท, ท, ที่มีองค์แต่ว่ามันจะสับด้วยภวังอยู่ตลอดแต่ถ้าอัปปนาไม่มีพวังเข้ามาขั้นเลยเนี่นยนะเช่นเข้าฌานครึ่งวันเนี่ยนะก็ตลอดครึ่งวันไม่มีการเข้าผวังขั้น ของเราอย่างที่นั่งฟังทำเนี่ยผวังขั้นตลอดทุกวิถีนี่แต่ก็ค่อนข้างไม่ค่อยรียดเท่าไหร่นะแล้วก็<า>พักผ่อนไปด้วยศ<า>ึกษาไปด้วยก็<า> <laughs> พักผ่อนนะนะหลับก็คือเป็นการพักผ่อนใช่ฟังแบบพักผ่อนสับสลักไมไหถ้าพูดได้ชาดนี่ก็ไม่มีการพักผ่อนนะนยะดีใช่ไหม ทีนี้วิตกตัวนี้เนี่ยคือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกอะไรขึ้นบ้างอ่ะยกภาษะขึ้นสู่อารมณ์ยกเวทนาขึ้นสู่อารมณ์ยกสัญญาสังขารมิญญาณเป็นต้นนั่นแหละขึ้นสู่อารมณ์ทีนี้ปฐมฌานเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยในแง่ของอุปจาระนี่เท่ากับพูดไปแล้วนะวิตกวิจารปีตสุขเอกคตา วิตกนี้ปฏิปักต่ออะไรปฏิปักต่อถีนะมิทธะน่นะวิจาร์ปฏิปักต่อวิจิกติฉาปีติเป็นปฏิปักต่อพยาบาทสุกเป็นปฏิปักต่ออุทธัจปุกุกุกจะส่วนเอกะขะตา ปติปัก ต, ต่อการมฉันทะเนี่ยนะทีนี้ในทั้งห้าองค์นี่เรียกว่าองชานเนี่ยนะเรียกว่าชา น, น, นคำว่าชานนี่มีสองความหมายใช่ไหมชานตัวนี้แปลว่าเพ่งเนี่ยนะอันนี้ก็ชานแปลว่าเผาตรงเนี้ยแปลว่าเผา เพ่งคือเพ่งตัวอารมณ์องค์ของชานเนี่ยเผาปฏิปักษ์ธรรมเพราะฉะนั้นชา น, นี่แปลว่าถ้ามองในแง่อารมณ์เรียกว่าเพ่งถ้ามองในแง่สัมปยุตธรรมเรียกว่าเผาเห็น ไ, ไหมอขออภยัยมองในแง่ปฏิปักษ์ธรรมอ่ะเป็นตัวที่เผาปฏิปักษ์ธรรมเพราะั้นถ้าการละโดยลําดับเนี่ยปฐมมชานละนิวรห้าทุติยาชานละวิโต ว, วิจารเนี่ยนะพราะองค์ก็แบ่งเป็นสองส่วนคําว่าชานตัวนี้นีปฐมมชานแปลว่าการเพ่งกับการ เผาเพ่งอารมณ์เผาปฏิปักษ์ธรรมแบบนี้ส่วนวิปัสสนาก็เรียกว่าฌานเหมือนกันใช่แต่เป็นการ เ, าเพ่งลักษณะเพ่งเหมือนกันแต่ว่าเพ่งลักษณะนะก็ะเรียกว่าลักขณูปนิสชาณนะ ตัวนี้ก็เพ่งเหมือนกันแต่เพ่งลักษณะเพ่งลักษณะของอารมณ์เช่นเพ่งไปที่ปัจจัตลักษณะกับสามัญลักษณะแต่ว่ามีการโยงการใยกันเต็มไปหมดเลยนะไอตัววิปัสนาเนี่ยมันเป็นการโยงการใยการเชื่อมการพิจารณาอย่างมากถามว่ามันเผาไหมเผาตามสมควรแก่การเพ่งเช่นว่า ถ้าเพ่งลักเอ่อเพ่งนามรูปหรือเพ่งขันอเยตนาธาตุละเผาสกายทิฐิถ้าเพ่งปัจจัยเผาวิจิกิจฉาถ้าเพ่งสามั ญ, ญลักษณะเป็นต้นเนี่ยนะก็เผาความสําคัญว่าเราว่าของเราถ้าเพ่งความเกิดก็เผาอุเฉตถ้าเพ่งความเสื่อมก็เผาศัสตะทิฐินี่นะถ้าพิจารณาโดยความเป็นภัยก็เผา ว่าสำคัญว่ามันไม่มีภัยเนี่ยเพราะนั้นไอ้ลักษณ ะ, ะวิปัสสนาก็เป็นฌานเหมือนกันแปลว่าเพ่งกับเผาเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยนะในคําสอนเราเรียกว่าให้เจริญแบบคู่กันไปใช่ไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมแต่ว่าตัวที่จะกิจทําให้บรรลุมรรคผลตรงๆคือตัววิปัสสนาแต่ที่เป็นฌานที่กล่าวมาเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวสายส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองเห็นไหม อันทั้งสมถะกับวิปัสสนาก็เรียกว่าฌานทั้งคู่แต่ที่นี้เราเพ่งมาที่ฌานที่เป็นสมถะคือทำหน้าที่เพ่งอารมณ์คือปฏิภาคณิมิตเนี่ยนะกับเผานิบรคือวิตกวิจารปีติสุขเอกาตาเผาด้วยอะไรเผาแบบวิขำพนะปะหารเนเผาแบบวิขพนะปหารนะเนี่ยนะ วันนี้คงได้เฉพาะปฐมชาญนะได้เรียนอ่ ะ, ะ, ะนะเนี่ยอ้าตั้งอัธยาศาัยเอาไว้ว่าโอ้โหปฐมชาญนี่ดีจริงอ่ะนะสักวันหนึ่งเราต้องเจริญให้ได้ตั้งอัธยาศาัยไว้เลยเที่ยที่บายเรื่องนี้เลยที่สุที่มักก็มีชาณวิพังก็มีเล่ม7จ็ดสิบปด้เลยนะ เจ็ดสปาชื่อชาณนะวิพังเล่มสอง แล้วก็ไปอ่านเล่มถ้าจะอ่านเพิ่มเติมอีกก็ได้เอาไห ม, มเล่ม69อนาปานสติกะถาอันนั้นก็พูดถึงชาติเยอะที่อื่นๆก็มีปลาปลายนะเช่นคัมพีนิเทศก็มีวินัยเล่มหนึ่งก็มีเวรัญชกา น, น, นะก็มีนิเทศก็มีปฏิสัมพิทาก็มีต อ, อนที่แปลว่าจะชัดก็คือเนี่ย อนาปาณัฏฐานมันจะพูดไปเยอะหน่อยแต่ก่อนหน้านี้ก็ขยายเรื่องมรษนะสัมมาสมาธินี่ก็ขยายไปเยอะอันนสมควรกับเวลาเมื่นนะ